ฟังทรมีศรัทธาไหมน้องอยากจะฟังไหมหรือเบื่อหน่ายเบื่อน่าตัวคำสั่งสอนขี้เกียจทาตามเป็นสิ่งที่ไม่เจริญนะเห็นแจ่ปากแก่ท้อง oh. ก็ไม่เจริญทนควบมปดยากไม่ได้ เพื่อเปิดในการมคุถท า, ายาทก็ไม่เจริญหลองตามีศรัทธาต่อท่านทั้งหลายมีศรัทธามากมายเดวราไปเป็นธรรมบาทร <c oughs> ยาจมยกขันข้าวท่วมหัวออกก้อนข้าวใส่บาท มันเก็บใจมันประบาดไม่ได้ทั้งยกมาไหว้ทั้งให้ข้าวให้น้ำเรา <c oughs> <c oughs> จะทำให้มันไม่คุ้มค่าข้าวสุกต้ากีขยงนันไม่ได้มันเก็บใจมันสนสนุนให้เราได้ไดมีศีลีรมรทม เรานุ่มโหมกีวรเราอยู่กติของศรัทธาทั้งนั้นกีวรแล้วก็ไม่ได้ซื่อกติแล้วก็ไม่ได้ข้นขวายมีศรัทธาจากญาติจากโยมมาทำมาสร้างให้ถ้ามองดูแบบโอ้ยมันแน่นด่ามากศรนะัทธา มวัดว่าอาลามอยู่อาชัยนาตั้งแต่น้นตั้งแต่พระเจ้าเป็นพระสารน์ทวอยเวดวันเป็นวัดแรกในพุทธศาสนามีวัดแรกที่สุดคือกุ้งรอดชคข์พระเจ้าเป็นพระสารน์ทวายใหยังอยู่เท่าทุกวันนลยเวรวันเคยสวนไผ่ป่าไัาย <c oughs> เชตวันที่อนาถเชตวันมหาวิหารอนาถมินิกาเสถีฐีถวายให้ยังมีอยู่สง่างาสีมากจากโยมไม่ใช่เทพเจ้าที่ไหนเราไมีผ้าหม่ม แต่ก่อนก็ลำบากต้องหาผ้าบ่งสุกุณถ้าอาบน้ำก็ไม่มีต้องเปลือยกายอาบน้ำนางสุชดานางวิสาขามหาบาศิกาไปงานเลี้ยงเพื่อนแต่งงานกลับมามาจะมา กราบทูลพระเจ้ากราบไหว้พระเจ้าผ่านมาทางเชตวัดรเห็นพระสงฆ์ฝนตกเห็นพระสงฆ์อาบน้ำฝนป่วยกายก็มาคิดเฮคนที่เราเคารพกราบไหว้ที่อุป ร, รัมมอมลง่มาทำป่วยกายอาบน้ำไม่ค่อยได้ดูนะ <c oughs> ้วเลยวิธีที่พิธีไหนที่จะให้ดีกว่านี้ได้เนอะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาไปกราบทูลพระเจ้าเห็น <up> พระสงฆ์ป่วยกายอาบน้ำไม่เห็นนุ่งผ้าไม่น่าดูเป็ น, <oughs> ปนจิงปุกเป็น พระสงฆ์ที่กราบที่ไหว้ไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ดีไม่มีผ้าอาบน้ำเลยพระเจ้าบอกไม่มีมีผ้าสามพื้นมีสสบงกีวรนาคาติเท่านั้นขอถวายได้ไหมถวายผ้าอาบน้ำผลได้ไหมพระเจ้าจึงทรงอนุญาตเป็นผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งคิดขึ้นมา <c oughs> เราจะมีผ้าอาบน้ำนุ่งอาบน้ำเช็ดตัวท่าทุกวันเนี่ยแต่ก่อนก็จีวรเราต้องหาพระบองสุขุลสมัยต้นๆพระสงฆ์ออกพรรษาแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าที่เวร่วันใม่ใหม่ ก็าพากันปายกาบไหว้ผู้ทีเจ้ท า, ท, าทั้งๆที่เดือนชิเบ็ดนี่ยังมีผลอยู่เดินทางไกลขนตกเปียกพ่านป่าไม่มีถนนขนทางเหมือนทุกวันนี้ผ่านปา่าผ่านดงผ้าพื้นเดียวนุ่งมันก็ขาดนุ่งเปียกๆเนี่ยนะผ้าเสบงเนะี่ยนุ่งเปียกๆผ่านด้าแข้งผ่านแข้งเราเทโลง เดินเนี่ยมันสีเดินไม่เท่าไรขาดเลยแล้วก็ไปพ่ไปพอพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระนางวิสาขาเขาอยู่ทท่นันด้วยเห็นพระตบหน้าตบหลังผ้าขาดเอาข้างดีมาไห้ปกไปหยิบโน่นหยิบมีระวัดระวังทั้งสวงทั้งเกวนีน นักษณะไม่เป็นปกติและวางตัวเองบางทีเอาตอนที่ดีมาปิดทะนี่ตอนที่นก็ขาดดบหน้าลบหลังลูปโน่นลูปนี่อยู่ อ, อัก่ะอัปปกิยาไม่ค่อยเรียบร้อยเห็นเป็นทุกข์เลยถามปาบทูนพระพุทธเจ้าทำไมพระสง์จึงมียผ้าขา ด, ขาด เทวดีมันก็มีเท่านี้ถือมาน้ำพระตอนนี้เดินทางกายมามันก็ขาดไม่มีแพร่เปลี่ยนเลยไม่มีถ้ากว่าจะได้านุ่งต้องสแสวงหาพระบงสุกุลตามขยะตามป่าชาผีดิบจะได้มาตรงมาเยบ็บมาต่อมาสัก มา <c oughs> ยอมจึงจะได้ใช่นางวิสาขาอะไรเช่นถ้าเงืนถวายเป็นไม่ต้องไปห า, าพระบงสุกุลไม่ได้เลยกว่าจะไปหาบงสุพาพบงสุกุลอีกคงไม่มีตรงไหนแล้วขาดไปแล้วกลัวจะได้มาจึงมีผ้ากัดหินขึ้นมาในการ เดือน11บถึงกลางเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเนี่ยเพราะช่วงนี้ผ้ากำลังขาดผ่านได้รู้ผลเราเลยมีผ้าถือกันไม่ลำบากตกหน้าตบหลังนี่ก็ทำให้เรามีศรัทธาต่อพุทธบริษัททำให้เราไม่ได้ประมาณ มาอยู่ที่ว่าเราก็มีศรัทธาต่อญาติต่อโยมเห็นญาติโยมแม่ชีพากันทำอาหารให้เราฉันลุกนี่ลุกลน <c oughs> ยืนอยู่ทั้งวันไม่ได้นังน่งไออหนโน่นวันนี้จับน่นจับนี้ทำให้เราไม่ได้ประมาทประมาทไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ บนรู้ธรรมก็ได้เราจะคุ้มค่าไปที่ศรัทธาเขาช่วยเหลือเรามาขนาดนี้เราก็จะดูตัวเองดีตัวขึ้นได้หัานี้โยมมาปฏิบัติต้องเขาห่มเขาู่วดาลาม เกิดัดทาต่อญาต่อโยมขี้เกียจไม่ได้ต้องเป็นแบบอย่างต้องเป็นตัวอย่างต้องนำผู้เท้น์ฟังทำให้ดูเป็นการตอบแทนอะไรสักอย่า ง, งเพื่อให้มันเกิดดีขึ้นกว่าเก่ายิ่งเรามาปฏิบัติ สิงที่เราจะทำให้ศรัทธาไม่เสื่อมก็คือบอกความเท็จความจริงตามหน้าที่ของพระสงฆ์พระสงฆ์รู้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าออกวัวจากเดือนไม่เกี่ยวข้องปฏิบัติชอบตามทาไปไหนแล้วสอนคนหดให้รู้ตามด้วยจึงจะเรียกว่าพระสงฆ์ ก <c oughs> ้าไม่สอนคนอื่นรูต้ตอบก็จะไม่คุ้มค่าต้องขวนขวายอย่างเต็มที่จิงใดไม่รู้พยายามให้รู้จิงใดไม่แจ้งพยายามให้แจ้งจริงใดไม่เข้าใจพยายามให้เข้าใจประมาทไม่ได้เวลาถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไร มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเก็เขินเมื่อเวลาคนอื่นถามจะอ้างว่าจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้จึงไม่ประมาทนะรู้สึกว่าพลังแห่งศรัทธาถ้าเช็ดรอบๆดูลอบตัวเราเนี่ยมันประมาทไม่ได้จริงๆหรือเวลานี่ยังอยู่วัดเราเนี่ย นันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้เกิดปัญรูธรรมได้นอาจากที่ไหนที่ไหนมาปฏิบัติเราก็ต้องหนึ่งละเรานับหนึ่งละให้คิดแบบนี้แต่ไมื่ก่อนเคยนับหนึ่ง <c oughs> อยู่นี่ก็เคยนับหนึ่งมาเรื่อยๆอยําเภอแจ้งท้อ อำเภอแจ้งข้อตำบลห น, นองขามดังที่สุดพระปรมแต่เราก็อยู่นี่เราจะต้องนับหน่งแชกออกไปยิ่งเราเจ้าจังหวัดให้เราเป็นเจ้าตำบลห น, นองขามด้วยต้อให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนน้ด้วย ไม่มีใครแล้วให้ไปเป็นผู้ปกครองในเขตตะบนหนองคามให้ด้วยแล้วก็มั่นใจว่าจะทำได้ไปเป็นเจ้ า, าวนตาบนหนองคามไม่ได้ไปดูประดาใครไปสอนความกิ้งอย่างนี้ล่ะเปิดปฏิบัติธรรมตามที่เราทำอยู่เนี่ยแทรกลงไป ในหมู่บ้านที่ดังๆในเขตตบนหนองคำทุกหมู่บ้านไปเป็นทะบาทผ่านบ้านในประกาศไปไม่ต้องไปบอกไปด่าเขาคนถัอวโล้นเห็นเราไปเลยวิ่งเข้าบ้านเอาผ้าคุมหัววิ่งเข้าบ้านเราเป็นไปไปด่ปดาเขาแล้วก็ไปบ่อย เรานั่งรถไปบ่อยเห็นเขาเห็นรถของเราเขาก็อยู่นอกบ้านตามถนนฐานเขาก็เอาผ้าคุมหัววิ่งเข้าบ้านเดี๋ยวเน่ก็เงียบเดี๋ยวเี่ก็เงียบลงมีใครถามที่ไหนก็บอกว่าอยู่อำเภอจางคอมีรู้จักตำบลหนองขามนี่แหละเจ้าคนตำบลหนองขามประกาศเลย นี่แหละเจ้าขันดาบน้องขามโอ้ดังนะดังขันดาบน้องขามดังก็ไม่อายใครแต่ว่าแทรกลงไปเดี๋ยวนี้เขาก็ลว่แจ้งข้อคือใครบางคนก็ถามว่าอำเภอแจ้งข้อจังหวัดชัยภูมิรู้จักปศุสปตว์ชโกโตไหมก็มี โนรู้จักว่าอยู่อำเภอแจ้งข้อนําไปให้เลวเหมือนกันหมดคนแจ้งข้อคนชายพรมไม่ใช่เลวเหมือนกันหมดเคยถูกเขาไล่ลงรถเราก็ยิ่งมั่นใจเึ้นรถจากชายพรมว่าจะมาแจ้งข้อเขาเอาให้นั่งข้างหลังไปนั่งข้างหลัง แล้วก็ไปดั่งข้างหลังตัวดีคนขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, น, นลงก่อนลงพอ่อลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขนขึ้นก่อนนั้นเบียคนเบาข้างหลังก็อยู่ประตูด้วยจ้าไปนั้นเบียคนลงมาก่อนให้คขนขึ้นก่อนเราไล่เราลงแล้วก็ลงมาเยืนรออยู่ พอลดพอลดออ ก, ออกคนก็เติมเต็มแล้วหลวงพอ่อเต็มแล้วไปเที่ยวหลังไปเทีเ่ยวหลังมีมไว้ก่อนเด็กเขาได้ลงรถไม่รู้จีข้างนะอะ็อยู่ที่ไหนอยู่แจ้งข้อไปไหนหลวงพ่อไปเผลอแจ้งข้อเรวก็มองว่านี่แหละพระปอบเห็นพระอย่างนี้หละผมจีวรเหลืองๆอย่างนี้หรือเรวก็ยิ่งเข้มแข็ง ข, ขึ้นมาเอาละ มั่นใจขึ้นมานี้แหละอำเภอแจ้งข้ออำเภอแจ้งข้อเรานี่แหละเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่อยู่ที่นี่มั่นใจไม่น้อยเนื้อตามใจนะเพราะนั้นน่ยอะไรที่มันเป็นสิงแวดลอมทําเราเด้แย่ขึ้นมาเลยแสดงลงไปพู้ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนอ๋อำเภอแจ้งข้อบอกความเทิดความเคียงแกผู้ใหคน เราอยู่ที่นี่เราเป็นหนึ่งแล้วแขงแขงในใจอ๋อโขหลงเราไม่หลงโขทุกเราไม่ทุกโขโกรดเราไม่โกรดนะเรามีศรัทธามีธรรมที่เป็นคู่วันหลงก็ไม่รู้ไม่จนโดนเลยวั น, นทุกก็ไม่ทุกไม่ความไม่ทุกเรามีศรัทธามองอะไรไปเป็นสองอย่างสองในยะ ยิ่งเราได้ยินคําสอนพระพุทธเจ้าอ่านประวัติพุทธเจ้าอ่านประวัติพระสาวกแปดเฉีบลูปที่มีเอตตะคะในลัทธิลั้ธธรรมชั้นโทพุท ธ, ธานุพุทธะอือพุทธอนุพุทธะประวัติแปดเฉีบลูกลองดูสิถ้าอ่านพุท ธ, ธ, ธประวัติพระ สาวกที่ดังๆเอตตะคะแปดสิบรูปจบของดูถึงโอ้มันมีกำลังนะเอาอย่างองนั้นเอาอย่างรูปนี้ไปไม่จนเลยมันรู้ธามต่างกันหลายหลายวิธีแม่อันพิกสุนีดังๆผู้เยี่งดังๆอุบาศกดังๆังบาสิกาดังๆ มมันดีกว่าเราเขาเป็นโยมก็ยังดีได้เป็นผู้หญิงก็ยังดีได้เรานี้เป็นเช่นละมองตนไะ้ทีงใดที่เราไม่ทำเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายต้อกไปขี้โทษเรานะมันเป็นจตถามเป็นพลังเอามาเป็นกัลยาณมิตร อยูที่นี่ก็มีกัรลยาณมิตรผู้ปรุงอาหารก็เป็นกัรลยานามิตรนักปฏิบัติก็เป็นกัรลยาณมิตรว่าศกบาจิกาพระสงฆ์สมเนินเป็นกัรลยาณมิตรเด็เกแต่น้อยมาบวชนะอยู่ได้นูน่นไปอยู่กะตีสิบสองเห็นหอบหมอนหอบผ้าห่มไปไปไหนเนี่ยน้อย ไปกะทสิบสองไปทําไมพักที่โน้นนอนที่โน้นโอ้กะทีสิบองก็ยอดเขาสูงสุดเปี่ยวเดียวดายอยู่ได้บางทีเรานอนเล่นอยู่วันใดวันหนึ่งเรานอนเล่นอยู่บนใดเยี่มหัวเลาะมานอนเอาแขนเราหมุนหัวนอนเชียงกลางเราหิวข้าวหลงตาหิวข้าว หิวข้าวหลงตาหิวข้าวเออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวก็ได้ฉันละนอีกไม่กี่นาทีน่ะเดี๋ยวก็เพ ล, ลิน่ะหิวข้าวหิวข้าวเลยไ ม, ไม่มีอะไรทีวัดที่กติอยู่ก็ไม่มีอะไร เ, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวก็จะฉันะ่ะพอดีเวลาห้าโมงก็อบอกไปฉันหลงตากล้ไป สักนากระเดินมามนอนมุนหุนเขียนเดกอิมแล้วหลวงตาอิมแล้วอิมแล้วก็มีความสุขไม่ปิมปมดมีกันและกันมิตรนะเนื่นน้อยยิ่งพวกเราไม่พระสงฆ์องค์เจ้าที่มาอยู่ทุกข์อยู่ยากด้วยกันอยู่ที่นี่ก็น่าชืเสริญพระสงฆ์ไม่มีอาติเลกระลาบใดๆ ยิ่งทำว่าเราได้ไม่ประมาทมีอะไรมาก็คิดเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นคิดแบ่งปันคิดแบ่งปันมีความเสียสฉละยิ่งใหญ่เห็นญาติเห็นโยมเห็นพระสงฆ์มาอยู่ด้วยเนี่คิดแบ่งปันคิดจะช่วยคิดจะช่วย ไม่ได้คิดเฉยๆโอมจะช่วยทุกอย่างจนสุดความสามารถทั้งญาติทั้งโยมทั้องพระสงฆ์เจ้าให้ไว้เนือเชื่อใจเถอะไม่ได้มีอะไรอะไเป็นอะไรก็บอกมาไม่ได้ต่างกันสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันไม่อะไรก็ปินด้วยกันใช้ด้วยกัน าาจากนังจากงั่ไปตั้งที่โต๊ะเหมือนกันหมดไม่ได้ไม่ได้คนละแบบ <c oughs> ยิ่งเรามาปฏิบัติได้สัมผัสกับวิธีการม่ครูอาจารย์มีหลวงพ่อเทียนมีอาจารย์พุทธทาิมีหลายลูกเป็นเชียงข้างพวกเราอยู่หรือมีผู้ ยิ่งใหญ่ที่สุดเคืมีพระพุทธเจ้าเหมือนกับอยู่เฉพาะหน้าเราเราอยู่นั่งอยู่เฉพาะพระพักหน้าพระพักของพระองค์เวลาเราเดินจงกรมเวลาเรามีสติเวลาใดหลงและเวลาใดเราหลงบา่บาคิดป่าเหมือนตัวอืมพระพุทธเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้านี่แล้วตายเราเจ้าไม่หลง เราคิดไปพระเจ้าก็ไม่หลงตรงนี้เราสุขพระเจ้าก็ไม่หลงตรงนั้เราทุกข์พระเจ้าก็ไม่หลงตรงนี้นะเหมือนพระพเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้านี้แล้วครูอาจารย์ก็บอกเราแต่หลายชีวิตอยู่เราก็มเมยแยะเลยหนะ่อยไม่ไ ม, ไม่ไม่เลวจริงๆนะปฏิบัติธรรมนะมันใจจริงๆนะ ช่วเราจริงๆเวลาใดเราหลงความรู้มาช่วยเราเวลาใดที่เราทุกความรู้มาช่วยเราช่วยได้จริงๆดุดไปเลยหลุดไปเลยเหมือนกับ ก, กอบออกไปเลยปัดออกไปเลยทันอกทันใจเป็นปัจจตบังจริงๆนี่คือปฏิบัติธรรม ไม่มีสิ่งใดที่วิเศษที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับการปฏิบัติธรรมศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ปืนยิงไม่เข้านะไม่มีปันไม่เข้าไม่ใช่แบบนั้นศักดิ์สิทธิ์คือมันทําสําเร็จมีฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทำได้สําเร็จนั่นจใจ ยิ่งมันมีทุกข์ยิ่งมั่นใจอย่างที่เราฟังอววาดปัจิมโมวาดนันตธ า, านิพิกเวอมันติยามิโอดูคนพิกสูต้องหลอยบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า่ายะธรรมมาสังคารสังขารทั้งหลายให้ความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะั ตั้งแต่หลายวัได้ประมาดนะวันนี้ก็ไปอีกวันหนึ่งแล้วดูยังไงควิตเราเป็นเช่นไยวันนี้ตั้งต้นอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันต่ำลงไปเสื่อมลงไปวินาทีนี้ตั้งต้นอะไรเชื่อมงนี่ตั้งต้นแบบใดโตอตัวขึ้นไหม พ่อมันจะโต ว, วันโตคืนได้ไหมอยากปล่อยให้เป็นหลงปล่อยให้เป็นทุกข์หกปุ้นคุ้นคิดไปดก็จะแก้ไหมประมาทั้ยท่านทั้งหลายจงยังพ่อไม่ประมาทให้ถึงพ่อเวลาไดมันหลงประมาทในความหลง เล่นอยู่กับความหลงดื้อด้านในความหลงเว ล, ลาใดาที่มันทุกข์ดื้อด้านในความทุกข์เรียกว่าประมาทให้มันแยบคายตรงในบ้างหมนะตั้งต้นหนึ่งครั้งหลงรู้มาหนึ่งครัง้งเรียกว่าไม่ประมาทถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ ความรู้สึกตั ว, ตวเอาความรู้สึกตัวไปประกับไปประกบไปเฉลยเป็นตัวเฉลยเหมือนคณิตศาสตร์มันมีผิดมีถูก มันเป็นสูตรสำเร็จชีวิตของเราเนี่ยมีคําตอบมีจำเลยมีโจทย์มีพิภากษามีตุลาการมันหลงเป็นจำเลยของความหลงมันทุกข์ ทุกเป็นทุกเราเป็นจำเลยของความทุกข์ทุกเป็นโจ์ทุกเป็นโจ์หลงเป็นโจ์ฉุกเป็นโจ์อะไรที่มันเป็นมันเป็นทั้งหลายเป็นพบเป็นชาติทั้งหลายแต่ว่าโจดเงาฟ้องถ้าเราเป็นอย่างที่เขาเป็นโจ์มาให้เราเราก็ถูกเป็นจำเลย ต่ำลงไปต่ำลงไปไม่เป็นอิจฉหละไม่เป็นอิจฉหละเหมือนคดีเหมือนคนคดีมีคดีติดตั ว, ตตวพิภากษาคือสติมันโกรธดูจิตตัวเห็นมันโกรธ ไม่เป็นผู้โกรธนี่พิภาคษาพ้นจากความโกรธมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พิภาคษาพ้นจากความทุกข์เรียกว่ากรรมหลงเป็นกรรมรู้สึกตัวพ้นกรรมทุกเป็นกรรม รู้จึกตัวไม่เป็นทุกเห็นมันทุกไปเป็นทุกพ้นกรรมตัดกรรมเราจะว่าแต่ปากจงเป็นผู้จงเป็นผู้ไม่มีเวนต่อกันและกันเลยเราด้วยเรามีเวนต่อใครใครมีเวนต่อเราถ้าเราว่าได้ทั้งสองอย่าง อย่ามีเวนต่อกันและกันเลยทั้งเราด้วยทั้งเขาด้วยเรียกว่าออกมาจากใจของเราเินนะครับด้วยการไม่จองเินหยุดเดี๋ยวนี้วินาที น, นี้หัดจุดเหนไบเด็ดขาดเด็ดขาดกับริงชั่วไร่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ ชีวิตเราจึงจะไปถึงมรรคถึงผลได้ไม่ใช่อารยพระมาลัยเป็นพู้ไม่มีอารยจึงไปทัวสวรรค์ได้ไปทัวนรกได้มถึงชีวิตของเรานี่แหละถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไปได้ ทุ ก, ปกเปนรมพ้นจากทุกเรียกว่าสุคติสุคติมันต่างกันอยู่ทุกก็ไม่ทุกมันต่างกันอยู่ไม่ต้องถามใครอย่าไปควรนรกต่อเมื่อตายไปแล้วอยากไดอยากไดสวรรค์ต่อเมื่อตายไปแล้ว ยากาต้นนิพพานแต่ว่าตายไปแล้วเป็นปัจจตังนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีมันเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่เราข้ามได้เดี๋ยวนี้หยุดได้เดี๋ยวนี้สิ้นได้เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เราได้มั่นใจตรงนี้ว่า ม่นยาผู้เจริญสตินี่จะปิดประตูอบายได้เด็ดขาด <c oughs> เหมือนพระเจ้าว่าผู้เจริญสติจะได้กระแสแห่งพระใน่านเหมือนเหยียบเช่นทางถูกถก็ถึงจุดหมายปลายทางได้พอเราหลงเห็นคนไม่หลงกระแส มีมีหวังและทำได้ด้วยมันทุกเห็นควาทุกขไม่เป็นผู้ทุกที่วมได้กระเสอมันไม่ใช่มันไม่ใช่หวังไม่ใช่ปาถนาอ้อนวอนเป็นสิ่งที่ทำล ง, งไปเรว่ากรรมกรรมคือ ก, ก, <ำ>การกระทำทำทางไหนทำทางใจทำทางกาย ทำทางวาจาหยุดกรรมก็หยุดทั้งการกระทำเราไปคิ ด, ดทางากความทุกข์ตัดดิดขาดจะเอามาคิดเครื่องกดตัดดิดขาดจะเอามาคิดบางทีมันกรรมมันลึกเรียกว่า ขลูกกรรมกรรมหนักตั้งหักรรมกรรมเบาขั้วลูกกรรมเนียใช่ไหมขลุกแปลว่าหนักตั้งหัแปลว่าเบาใช่ไหมนะไม่รู้วาลีจําเอาจํามาพูดเนี่มันก็จํำนะมันก็พูดวาเนี่อนาคีอนาคาลิกะ ธรรมปาละที่ที่ฟ้องเอาพุทธที่ฟ้องเอาจลรณาต์พระธรรมเทศนาขืนว่าอนาคลิกะธรรมปาละจะวานไปว่าใครละ่ะว่ามันไม่ใช่เป็นอนาคลิกะธรรมปาละเป็นคนฉชียลังกา ไปฟ้องเอาเอาสรารนาฏที่แสดงธรรมจักร์คืนมาเป็นของพุทธศาสนาแต่ก่อนกลายเป็นของหินดูไปนี่ก็จำมาคารุกรรมเป็นกรรมหนักเหมือนคารุผันบางทีก็มีกรรมหนักใหญ่ ละหมดไปเบาเบาเบาล็กเล็กนน้อยแต่ก็อย่าประมาทความเบาความน้อยมันจะมากขึ้นได้ความชั่วแม้แต่น้อยนิดก็อย่าไปคิดอย่าไปทํา <c oughs> เริ่มดีแม้แต่น้อยนิดก็อย่าประมาทให้คิดให้ทําลงไปเจ็บเล็กเล็กน้อยน้อยปเหมือนหมือนงานฉันกิจากงานบาต โดยเฉพาะความรู้จักตัวเนี่ยมันทันใจเอารูปอนา ม, มาทำไม่ได้จนเลยตรงนี้เป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติที่เป็นรูปเป็นนามนี่ถ้าไม่ทําให้เป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติก็เกิดเป็นอวบายไปเลยถ้าเราไม่หัดจิตใจเนี่ย มันชุกสนถ้าไปสอนมันมันก็ต่ําลงไปเรื่อยๆมันน้าจากที่สูงไหลสู่ที่ต่ําต่ําลงไปต่ําลงไปกระหัดก็เอียงขึ้นไปเอียงขึ้นไปลาดไปเหมือนกันลาดไปสูมักสุผลวิ่งมาเห็นรูปเห็นนามเห็นแต่ลักวิ่งง่าย ได้หลากได้ฐานลูกมันบอกนามมันบอกจึงที่กำกับกับลูกกันนามคือใจลักเจริญตจลักอย่างเดียวไปถึงมรรคถึงผลได้ไม่ต้องทำอะไรมองทุกอย่างเป็นความไม่เที่ยงมองทุกอย่างความเป็นทุกข์มองทุกอย่างเป็นความไม่ใช่ตัวตนให้เจริญจึงเหล่านี้เท่านั้นเพียงพอ เพียงพอไม่ต้องรู้อะไรมากถ้ารู้ต่รักจริงๆกับรูปกลุ่มน้แต่รักมามากมกับรูปน้มเราสัมผัสได้แต่รักไป ก, กับสิ่งต่างๆที่นอกจากรูปจอกน้ำเราก็รู้ได้แต่ไม่เป็ น, ป, นปัจจดตังของเรา แต่ตาลักที่มาอยู่กับลูกมนามเป็นปัจจัตตังเดี๋ยวนี้ตาลักที่ไปอยู่กับโลกมันไม่ไปปัจจิตตังมันครอบไว้เฉยๆไม่ได้ประโยชน์ตาลักที่เกิดกับรูปรมนามเน่ยได้ประโยชน์เห็นความมาเที่ยงจึงเป็นนิพพานได้เห็นวามเป็นทุกข์จึงเป็นนิพพานได้เห็นวามไม่ใช่ตัวตนจึงเป็นนิพพานได้ถ้าไม่เห็น ก็เป็นนิพพานไม่ได้ทุกก็เป็นทุกไปเลยเป็นตัวเป็นตนไปเลยสุขก็เป็นสุขเป็นตัวเป็นตนไปเลยหลงก็เป็นหลงเป็นตัวเป็นตนไปเลยถ้าเห็นแต่ลกทุกมันก็ไม่เที่ยงทุกมันก็ไม่ใช่ตัวเช่ตน ถ้าเห็นนะ่ะถ้าเป็นลนะมันก็เป็นรุ่นเป็นกน้อนาปในความไม่เที่ยงมันบอกถึงความไม่เที่ยงใช่มันเที่ยงได้อย่างไรในความทุกข์ก็บอกถึงความทุกข์ให้มันเป็นฉุกได้อย่างไรไปถือว่าตัวเราทำไมในความทุกข์ถือว่าเราหรือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราตัวทุกข์ มันเป็นของมันเองมันมีอยู่ในโลกทุกโลกก็เกิดขึ้นมาในโลกก็ต้องมีชื่อเหล่านี้เราจึงไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเห็นเราจึงมันลื่นลากเห็นทุกข์เลยตื่น ทุกข์แท่ๆทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้านะมันก็พุทธโธตัวหนึ่งตือนทุกข์แต่ว่าบ้านเราก็ปัดทุปัดทุกข์โอทุกขมันตือนต ท, ทุไม่เห็นเลยแต่ก่อนเตือนก็บอกทุไม่รู้ทุกข์เอาทุกขทุกข์โอ เห็นทีเรอู้ก็มองอู้เนี่วิปัสนาวิปัสนาเขาบอกู้ในในหัวใจลึกึๆเห็นความเที่ยงก็บอืมเห็นความผูกก็อืมเห็นความไม่ใช่ตนตนก็บอกอืมลึกซึ้งนะเขาบอกอืมมันมันหมดแล้วสุดยอดแล้ว มงกุฎทําแล้วท่านเลยบอกเออได้ท่านเลยว่ า, ไ, า, วาไม่ไหวไม่ไหวไม่ใช่มงกุฎ ท, ทำต่ําต้อยที่สุดเลยแย่แ yeah, ย yeah, ่ไม่ไหวไม่ไหวท่านลยบอกอืมวิปัสสนาถึงบางอืมถึงบางโงกมีอย่างนี้ทุกอย่างทุกเรื่องที่เกิดเกิดกายกับใจเราเตัวนี้เป็นตัวเฉลย ไม่อยู่ในที่คนเนี่ยในที่รูปที่นามเนะแต่ไม่มีรูปไม่นามมันไม่มีรูปนามนี่แหละมันเป็น <c oughs> ปัจจัยเทียมให้เราได้เห็นสั จ, จธรรมแต่เราไม่ศึกษารูปนามแหละเป็นทุกข์มากที่สุดเกิดแจ็เจ็บตายหลังจากเราสวดพิจรณาสังขาน สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งเช่นมันไม่เที่ยงเกิดแล้วเจ็เจ็บตายไปสังขารคือร่างกายจิตใจรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งเช่นมันเป็นทุกข์ตนยากแลเกิดแล้วเจอเจ็บตายไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งเช่นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเพียงพงอเงวนลงเฉยเหมือนถังขยะเอาไปทิ้งถังขยะถ้มีสังขยะแบบไม่ใช่เกี้ยงเก่าไม่มีอะไรไม่มีขยะในหัวใจเหมือนเราไม่ีถังขยะ อ๋จึงต่างๆไปใส่ลงที่นั้นลงที่นั้นลงที่นั้นทุกก็ไปใส่ลงที่ทุกนั่นถังขยะไม่เที่ยงวะทิ้งงไปในความไม่เที่ยงอย่างเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ตัวตนก็ทิ้งลงไปในความไม่ใช่ตัวตนเรียกว่าถังขยะรำมชีวิตสะอาดบริสุทธิ์เอาไว้ไหนทุกเอาทิ้งลงไปในความทุก พระเจ้าได้นิพานตรงนี้ในความไม่เที่ยงที่งลงไปในความไม่เที่ยงจึงเป น, นิพานได้อสวดพระสูตนี่สักหน่อยพร้อมกันลองดูสัพเพสังฆาลาอนิจจติญถาปัญญาญาปัจจติว่าไหมสัพเพสังฆาลาอนิจจติญถาปัญญาญะปัจจติ เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัตถานิเพนตติโุเคเอยสมะโควิสุทธิยาเมื่อนอยอมหน่อยหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนอนแหละเป็นทางแห่งพานิพนันอันเป็นธรรมหมดจดสัพเพสังคาร า, าทุกะติยดาปัญญายาปัชติต เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุ ก, ทททกข์อัตตนิพนธาติโตเกอฉะมโควิสุตติยาเมื่อน้อยอมหน่อยใดในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนัน่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานัปานนนเป็นทางหมูจุดสัพเปธรรมะอนัตติญาธาปัญญ า, ายาปชจจิเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทางังหลายทั้งปวง อ๋ใช่ตัวเ่มเมลยฮรแบบับพรข้ากัน